สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสี่เสียงพิบาส น, นะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในหัวข้อชีวิตพระเยซูตอนที่สองร้อยเก้าสิบเจ็ดเรื่องคำอธิษฐานของพระเยซูครั้งที่เจ็ดสิบสองพี่น้องครับเช้าวันนี้เป็นเช้าวันจันทร์เรากำลังเริ่มทำงานเริ่มต้นการดำเนินชีวิตอีกครั้งหนึ่งพี่น้องครับเมื่อวานนี้ผมตั้งคำถามว่าเราจะยื่นหยัก เราควรจะยืนหยัดอยู่ในการถูกข่มเหงอยู่ในการล่อลวงนะครับอยู่ในการทดลองดีหรือเราควรจะวิ่งหนีดีพี่น้องครับเรามีแนวโน้มที่จะต้องหลีกหนีจากการข่มเหงครับเมื่อการข่มเหงมาถึงเราแต่เราก็สามารถชื่นชมินดีในการข่มเหงได้ถ้าเราหนีไม่ทันหรือว่าเป็นน้ำมัทไถของพระเจ้าที่จะให้เราอยู่ที่นั่น พี่น้องครับแม้แต่องค์พระผู้เป็นเจ้านะครับพระเยซูคริสต์เจ้าของเรานั้นยังอธิษฐานกับพระบิดาอย่างนี้เลยครับในมาระโกบทที่สิบสี่ข้อที่สามสิบหกพระเยซูทรงอธิษฐานอย่างนี้ว่าพระบิดาเจ้าข้าขอให้ถ้วยนี้เลื่อนพ้นไปจากข้าพระองค์เถิดขอให้ถ้วยนี้เลื่อนพ้นไปจากข้าพระองค์เถิดแสดงว่ามีบางสิ่งบางอย่างในความเป็นมนุษย์ของพระเยซูนั้นที่ไม่พึงปรารถนา การทนทุกทรมานนะครับนี่เป็นเรื่องปกติที่พระเยซูนั้นก็ทรงสำแดงออกถึงความอ่อนแอของเนื้อหนังของพระองค์นะครับที่ไม่ปรารถนาที่จะรับการทุกทรมานเพราะพระองค์ทรงรู้ครับพระองค์ทรงรู้ล่วงหน้าว่าความทุกทรมานของพระองค์นั้นจะแสนสาหัสขนาดไหนและความทุกทรมานไม่เพียงแต่เกิดขึ้นในเนื้อหนังจิตนะครับเนื้อหนังของพระองค์เท่านั้น แต่เกิดขึ้นกับจิตใจอารมณ์ความรู้สึกในทุกๆส่วนของชีวิตและยิ่งกว่านั้นอีกครับเกิดขึ้นกับจิตวิญญาณของพระเยซูด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในองค์รวมนั้นพระเยซูทรงทราบก่อนที่พระเยซูจะเสด็จขึ้นบนไม้กางเขนพระเยซูทรงทราบว่าแม้ว่าไม้กางเขนนั้นจะเป็นไม้กางเขนที่มีสง่าราศีในที่สุดที่เราได้ระ ล, ลึกถึงพระองค์ในโบสถ์ของเราเราเห็นไม้กางเขน แม้ว่าไม้เขนในที่สุดนั้นจะเป็นไม่้เขวนที่ว่างเปล่าจะแนะป็นไม้แขวนแห่งชัยชนะเป็นแม้เขวนแห่งศักดิ์ศรีและสง่าราศีแต่พระเยซูทรงทราบดีด้วยพระองค์เองนะครับด้วยพระปรีชาญาณของพระองค์ด้วยการสัพพันยูของพระองค์ว่าก่อนที่จะขึ้นไปแม่งเขวน น, นั้นเป็นความทุกข์ที่ไม่เคยมีใครทุกข์มาก่อนได้ขนาดนี้เป็นความทุกข์ที่หรือเป็นความรู้สึกเป็นอารมณ์ เป็นความเจ็บปวดทางฝ่ายเนื้อหนังฝ่ายอารมณ์จิตใจและจิตวิญญาณที่ไม่เคยมีใครเป็นอย่างนี้พี่น้องครับลองจินตนาการง่ายๆนะครับผมเคยพูดไว้ในหลายครั้งแล้วบอกว่าจิตวิญญาณของพระเยซูนั้นแท้จริงแล้วเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระเจ้าครับพระเยซูไม่เคยถูกแยกจากพระเจ้าเลยแต่มีบัตรเดียวบัตรดนหนึ่งนะครับเป็นเวลาในช่วง มิติของเวลาทั้งหลายที่อยู่ในโลกนี้นั้นเป็นช่วงเชี่ยววินาทีเดียวครับที่พระเยซู ร, ร้องอยู่แม่งเขนว่าเหตุชไหนทรงทอดทิ้งข้าพระองค์งเสียพี่น้องจากคาพูดคํานี้เองทาให้เรารู้ว่าเป็นวินาทีเดียวเป็นชั่วบัดเดียวบัดดนเดียวที่พระเยซูถูกแยกจากพระเจ้าทางด้านจิตวิญญาณครับพระเจ้านั้นพระบิดานั้นถูกแยกนะครับถูกแยกออกจากองค์ พระเยซูคริตในช่วบัดเดียวบัดนนั่นเองครับพี่น้องเป็นสิ่งที่พระเยซู ร, รู้อยู่แล้วครับว่าพระองค์ไม่อาจจะรับได้พี่น้องครับถามว่าทาไมพระองค์ไม่อาจจะรับได้เพราะว่าความสัมพันธ์ของพระเยซูผู้เป็นพระบุตรกับความสัมพันธ์ของพระเจ้าพระบิดาไม่เคยถูกแยกมา ก, ก่อนครับนี่ครับคือตัวอย่างของความเจ็บปวดท้งฝ่ายจิตใจจิตวิญญาณของพระเยซู นอกเหนือจากฝ่ายเนื้อหนังแล้วพี่น้องครับความทุกข์ทรมานนั้นเป็นที่ไม่พึงปรารถนาของทุกคนรวมถึงพระเยซูด้วยครับแต่พระองค์ก็ตัดสินใจโดยคำอธิษฐานนะครับแสดงถึงความอ่อนแอของพระเยซูว่าขอให้ถ้วยนี้เลื่อนไปจากข้าพระองค์ถ้าเป็นไปได้แต่ขอให้เป็นไปตามนามาไทยของพระองค์เถิดเพียครับในชีวิตของเรานั้นมีหลายลครั้งทีเดียวนะครับซึ่งเราจะต้อง ยอมให้ถ้วยนี้ซึ่งเป็นถ้วยของเราเล็กๆนะครับนะครับแม้ว่าเราไม่พึงปรารถนาก็ตามแม้ว่าเราจะมีความรูก้เจก็บปวดก็ตามแม้ว่าเราจะรู้ล่วงหน้าบางสิ่งบางอย่างก็ตามพี่น้องครับเราจะต้องมอบชีวิตของเรานั้นให้อยู่ในน้ําพระทัยของพระเจ้าอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์และเรารู้ว่าในน้ำพระทัยของพระเจ้าพระหัตถ์ของพระองค์นั้นบางครั้งอาจจะมีความเจ็บปวดได้บางครั้งอาจจะมีการทนทุกข์ได้ บางครั้งอาจจะมีความทุกข์ยากลาบากได้บางครั้งอาจจะมีความทุกข์ทรมานได้แต่ขอให้เราอยู่ในหน้าวัดไทยของพระเจ้าครับขอให้อย่าเป็นตามความปรารถนาของเราแต่ขอให้เป็นไปตามหน้าวัดไทยของพระเจ้าและเรารู้ว่าเมื่อไรก็ตามที่เราอยู่ในหน้าวัดไทยของพระเจ้าอยู่ในพาธของพระเจ้าอยู่ในการทรงนําของพระเจ้าพระเจ้าไม่ได้โหด ร, ร้ายที่จะทําให้เรานั้นผ่านการทดลองเหล่านั้นไม่ได้อาเมไหมครับพี่น้องเพราะฉะนั้นเม <ajudar S 2> ื่อเราอธิษฐานแบบนี้นะครับ ตามแบบอย่างพระเยซูขออย่านําข้าพงค์เข้าไปการทดลองเรากําลังรู้ตัวเองว่าเราเป็นคนอ่อนแอรครับเนื้อหนังของเรานั้นก็มีแนวโน้มที่จะทํำบาปอยู่เสมอนะครับเราสัมผัสถึงว่าตัวเองนั้นเป็นคนบาปนะครับเพราะเราสัมผัสถึงความเป็นหนี้เราสัมผัสถึงความเจ็บปวดแห่งการสารภาพบาปหลายต่อหลายครั้งครับนะครับในชีวิตของเรานั้นเราทะเลาะบอกเปิดครับ โดยโลกที่เต็มไปด้วยความผิดบาปแล้วกาลังถูกทุบตีโดยโลกถูกเอาเปรียบโดยโลกที่เต็มไปด้วยความผิดบาปก็นํามาที่เราตลอดเวลาครับเมื่อเราอาธิษฐานว่าพรงเจ้าค่ะขอทรงไถ่ข้าพระองค์ให้รอดพ้นจากสิ่งเหล่านี้เถิดเราต้องยอมรับความจริงนะครับว่าการต่อสู้กับโลกพี่น้องครับในด้านหนึ่งเราแพ้บ้างชนะบ้างแต่เราจะชนะสงครามแน่นอนเรา นะครับจะเข้มแข็งขึ้นแน่นอนเราต้องยอมรับความจริงว่าการต่อสู้กับโรคการต่อสู้กับความบาปการต่อสู้กับการทดลองล่อลวงเทมเทชชนนั้นทำให้เราเข้มแข็งขึ้นเหมือนกันนะครับผมไม่ทราบว่าพี่น้องจะคิดเห็นเป็นอย่างไรแต่นี่คือพระวจนะของพระเจ้านะครับผมไม่ทราบว่าเราต้องปั้มสู้กับชีวิตที่บริสุทธิ์นะครับปัําสู้กับ มารซาตานปัําสู่กับความต้องการของตัวเองเพื่อมีชีวิตที่บริสุทธิ์นะครับเราแต่ละคนไม่เหมือนกันครับพี่น้องครับเราต้องระมัดระวังในทางที่เรากําลังจะเดินอยู่นะครับเราต้องอย่าไว้ใจตัวเองเราจะต้องอย่ายอมให้ตัวเองนั้นตกอยู่ในสภาวะแห่งการล่อลวงครับนะครับถ้าเราไม่ไว้ใจตัวเองแล้วเราไม่ไว้ใจเนื้อหนังของเราแล้วนะครับเรา ก็จะระมัดระวังครับที่จะไม่ตกอยู่ในสภาวะแห่งการล่อลวงเราก็จะรีบรุดไปอยู่จําพ่อ พ, พักของพระเจ้าเราจะรีบเอาพระคัมภีร์ขึ้นมาอ่านเราจะรีบคุกข่าลงอธิษฐานนะครับเราจะต้องเป็นยามให้กับตัวเราเองพี่น้องครับเราจะต้องมีชีวิตที่เหมือนกับถามยามที่ไม่ต้องต่อสู้กับศัตรูด้วยตัวเองแต่รีบทู่นพระเจ้าครับรีบทูน่นผู้มังคับบัญชารีบทุนบท่นแม่ทัพและ ลาถอยตัวเองนั้นไปอยู่หลังแม่ทัพไปอยู่หลังผู้ที่ยิ่งใหญ่สูงสุดพึ่งในพระกำลังพระอนานาจและการทรงนำของพระเจ้าเราก็จะไม่พ่ายแพ้อย่างแน่นอนพี่น้องครับเราจะต้องพ่ายแพ้แน่หากพระองค์ไม่ช่วยเหลือเรานะครับเพราะเราอ่อนแอด้วยเนื้อหนังของเรานี้พี่น้องครับลูกของพระเจ้าบุตรแห่งสวรรค์ประชากรของพระองค์จะต้องตระหนักอยู่ตลอดเวลาว่า เรานั้นอาศัยอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยความบาปเราอาศัยอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยการล่อลวงเราอาศัยอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยสิ่งชั่วร้ายเพราะฉะนั้นเราต้องอธิ ษ, ษฐานขอพระเจ้านะครับแต่ถ้าทิ้งเราก็คืออะไรครับเราต้องระมัดระวังตัวเองครับที่จะไม่ตกอยู่ในการทดลองอย่านะครับอย่าตกครับอย่าปล่อยให้เรานั้นได้หลงละเริงอยู่ในการทดลองเราจะต้องเป็นคนยามให้กับตัวเองครับ เราจะต้องอาจจะต้องเป็นคนยามให้กับคนอื่นด้วยแล้วเราต้องช่วยเขาันะบช่วยเชื่องกันแล้กันอินเตอร์ดีเพนเดเพื่อที่จะดีเพนเดนต์กับพระเจ้าครับเพื่อที่จะพึ่งพาไว้วางใจพระเจ้าพึ่งในพระกำลังพระอำนาจและสติปัญญาของพระเจ้าในการที่จะหลีกหนีจากการล่อลวงทีนองครับเรานะครับจะต้องรู้ว่าโลกนั้นไม่ได้เป็นมิตรกับเราหรอกครับโลกนั้นพยายามที่จะทําให้เรา อยู่ในการล่อหลวงพี่น้องครับเพราะอะไรครับเพราะมานั้นมันเป็นเจ้าโลกอยู่พระกระพีพูดชัดครับนะครับโลกแห่งธรรมชาตินั้นอยู่ในความบาปมนุษย์ต้องเผชิญกับภูเขาไฟเหมือนต้องเผชิญกับแผ่นดินไหวระดับแปดลิกเตอร์ที่เนปาลพี่น้องครับเราต้องเผชิญกับสิ่งต่างๆเยอะๆมากมายครับขอพระเจ้าช่วยเรานะครับที่เราจะปราศจากหรือหลีกหนีออกจากการทดลองการล่อหลวง ใต่พี่น้องครับหากว่าเราจําเป็นอย่างยิ่งตามน้ำมไทยของพระเจ้าพระเจ้าวางไว้อยู่ในการทุกยากลาบากนะครับเราต้องอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันครับเหมือนกับที่หลายหลยท่านนะครับเราอาธิษฐานเผื่อพี่น้องในฝานขอพระเจ้าช่วยพี่น้องเหล่านั้นให้พ้นจากความทุกยากลําบากโดยเร็วอาเมน